น้อมเครื่องสักการะเป็นพุทธบูชาหลายท่านก็สมาทานอุโบสถเป็นพุทธบูชายังโตเอาอยัางโบสดบูชาบา้างเรียนตอนนี้อุโบสถใช่ไหมอ๋อตอนนี้อุโบสถนะโอ้สาธุสาธุคุณกลอยใจเนี่ยอุโบสถตลอดงานเขาว่างันหลังจากนี้เขาเขาไม่เคยอุโบสถมา ก, ก่อนเลยนะคุณกลอยใจเนี่ยเขามาเห็นเราทั้งหลายทักสาวอุโบสถเขาเลยเอาบ้างตอนนี้ไปพักนะมันโยมเจ้าเป็นจ้าเป็นไงเอาเลยฮะเอาเลย แล้วเมื่อไหร่ ย, ยอมเยาอุโบสถนั่งเนี่ยตยังหิวอยู่เออถ้ามีโอกาสก็เอาบ้างนะพี่ตู่ก็ยังรักษาอโบสถ์เลยใช่ไหมโบสถเนี่ยคุณไททูลูก็มาอุโบสถที่นี่แนละ้วตลอดชีวิตเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกอยู่ที่เนี่ยพุทธคยานี่แหละโอ้โหแสดงว่าได้เริ่มต้นในสถานที่ที่ดีมากะนะก็นุโมทนาด้วยนะว่เริ่มถึงเริ่มเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่สายเพราะมันค่ํามาตั้งนานแล้ว <laughs> นะ หลายหลายท่านก็สมาทานอุโบสถเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่งเนยนะยมนงเป็นไงอุโบสถตัตแตกกัยังยังนะสาธุสาธุเนี่ยนะคุณสุจินก็อุโบสถเนี่ยแม่เขาเป็นห่วงมากเลยนะย ลูกกลัวลูกกลับไปจะพร้อมกะหลังก็พร้อมอยู่แล้วด้วยแนละ้วก็บะอุโบโสถ ด, ด้วยแล้วก็มังสวิรัตด้วยกินยากด้วยก็เลยตายกันใหญ่เลยนะกันนี่กลับไปแม่จำได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะยังไงยังไงก็รักษาโครงร่างเดิมไว้บ้างนะกลับไปแม่จะได้ไม่แปลกใจเดี๋ยววันหลังมันจะไม่ยอมให้ไปไหนอีกแล้วเนี่ยนะนะเดี๋ย ว, วแม่ไม่ยอมให้ไปไหนเลยลําบาก ก็รักษาสุขภาพให้ดีหน่อยเนี่ยนะแต่ก็ไม่แล้วถ้าจุติก็ไปดีอยู่แล้วล่ะเชือเะชชนเราใดเราหนึ่งเนี่ยนะมีจิตเลื่อมใสไปเพื่อธรมศาสการสังเวชนียสถานแม้แต่ตายระหว่างทางชนเหล่านั้นก็จะไปสุขติโลกสวรรค์ถ้าตายช่วงนี้ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่เนี่ยนะหมายต่อให้กิเลสกุ้มรุมแล้วตายเนี่ยตรง น, นั้นเนี่ยุ่งมากๆเลยนะตรงนั้นน่าเป็นห่วงมากเพราะนั้นก็ได้ชื่อว่าสังสมไ บ, บุญไปแล้วบุญเหล่านี้ที่เราสังสมนี่แหละจะเป็นสเสบียงทางเป็นปัจจัยเป็นที่ ซึ่งในระหว่างทางของเราทั้งหลายที่ถ้ายังต้องท่องเที่ยวไปในวัะเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นสบียงของเราจะเป็นที่พึ่งเป็นที่พักเต็มที่อาศัยภาษาธรรมะเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็ด้วยบุญกุศลที่เราปลูกไว้ดีแล้วใน พระตถ า, าคตอาหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปลูกไว้ดีแล้วในพระธรรมคําสอนปลูกไว้ดีแล้วในหมู่พระอริยะทั้งหลายซึ่งเรามาที่นี้ให้รู้ว่าแถวนี้นี่คือแดนแห่งพระอริยเจ้าแดนโคจรแห่งพระอริยเจ้าแห่งพระสาวกทั้งหลายพระโสดาบันโดยมีโดยแม้แต่ที่สุดเด็กหญิงอายุ7จ็ดขวบนะเห็นสมมาเนนสีร่างกาเป็นยังไงเมื่อวานเนี่ยนะก็อายุสักหกเจดขวบได้เนาะก็คงน่ารักนะนะพระเท่านั้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยพุทธกาลมีพาระอรหันต์น้วยนะ ะนะมีผะารหัสแล้วเนี่ยนะใครจะไปดูถูกนะว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาผ่ารหันเชอะละถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะนะสมัยนี้โอ้ยมันนั่งบวชนั่งนิ่งน่งได้นี่มันหายากแล้วนะอายุเท่านั้นเนี่ยเป็นเด็กไทยเราโอ้ไปนั่งเกมูกดเกมอยู่นั่นแหละเล่นแต่เกมดูแต่ทีวีเนี่ยนะตอนนี้ก็บอกว่าเด็กไทยนี่ใครสอนบอกการ์ตูนสอน เรีย น, ยนได้กระตูนเนี่ยเป็นครูอาจารย์สอนเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะทันก็เด็กเหล่านี้ถ้ามันโตขึ้นมามนจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบทันก็โหกิเลสมันร้อนแรงเต็มที่แล้วท่นถ้าเรามาก็จะมาเป็นลูกหลานพวกนั้นแหละจะไม่เป็นเพื่อนในกลุ่มเรานั้นแหละจึงน่ากลัวมากมากนะทันผู้การก็เคยเล่าว่าจะขอกลับมาเป็นมนุษย์อีกคิดให้ดีนะผู้การ เกือบ <laughs> สงสัยฟังเรื่องอนาคาริกธรรมปาร่าหน่ยแล้วธรรมปาร่าเขาบอกเขาจะขอเกิดในเมืองพุทธเนี่ยจนกว่าจะหมดศาสนาพุทธว่างั้นเลยเขาจะขอเกิดจะงี้ตลอดไปเขาจะขอต่อสู้ไปนะูการก็เลยจะเอาบ้างเนะมาก็เตือนเตือนนะผู้การคิดให้ดีน ะ, นะแต่ตอนทำบุญนี่อนุโมทนาด้วยตอนไม่ใช่บุญนี่สิมัอนจะยุ่ง <laughs> เพราะว่าในในสมัยนี้นี่นะสังคมที่ศึกษาพระไตรปิฎกนี่จุดเล็กเกินไปในโลกนี่นี่ จุดน้อยเกินไปถือว่าเสียงมากๆเลยนะเลยได้ยังจับไม่ค่อยถูกเลยว่าอยู่ตรงไหนในพวกศึกษาปไตยวิโดก์เนี่ยนะมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเลยพมายังไงนะที่กรุงเทพหรือที่เชียงใหม่ก็แล้จะเร็วศึกษากันหมดแล้วนะก็เคลื่อนมาอยู่จุดตรงนี้เล็กๆเงี้ยนะอยแล้วมันเคลื่อนไปอย่างนี้เลยนะก็นึกว่าถ้าเขาจะมาขออยู่ร่วมศึกษาด้วยเนี่ยเขาจะมาศึกษาได้ยังไงว่าขอมาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะแนะนําไม่ไปศึกษาตรงไหนอ่ะนะก็นับว่ายากอ่ะนะ ในยุคนี้ที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันศึกษาขนาดนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหาได้ยากแล้วเนี่ยนะที่ได้ปลูกฝังศรัท ธ, ธาของเราต่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ศึกษาพระไตรปิฎกโดยเฉพาะพุทธโอวาทที่พระองค์ได้ประทานไว้ตามที่ต่างๆเนีย่ยนะอย่าง เอกสารที่รวมรวมเล่มที่แต่ละเมืองแต่ละเมืองก็น่าอ่านนะเราจะได้หัวลำาลึกถึงครั้งต่อต่อไปถ้าผู้ใดมีบุญก็จะได้มาละลึกตามตามนั้นไปเนี่ยนะก็ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ร่วมกันทำกิจกรรมกุศลพุทธบูชาอีกต่อไปได้เอาเกราดนมาสการเจ้าค่ะเมื่อกี้พระคุณเจ้าแสดงถึงเรื่องดอกมะลิใช่มคะโยมเคยไปกล่าว คำนี้กับพระคุณเจ้าว่าดอกมะลิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดอกมะลิชาวโลกถือว่าเป็นดอกไม้ที่เลิศด้วยด้วยการที่มีกลิ่นที่ดอกอันนี้จะสัญญาที่มั่นคงที่ภิกษุกละทําให้มากแล้วจเจริญให้มากแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เลิศเช่นเดียวกันเพราะเป็นไปเพื่อลักกามาพบรูปประพบและก็อรูปประพบ ทีนี้มันก็มาเกี่ยวข้องกับตรงที่ว่ากำลังของพระอระหันต์นะค ะ, ะเจ้าคะข้อที่หนึ่งก็คือพิจารณาทุกอย่างด้วยความเป็นอนิจจังเจ้าคะ่ะแสดงว่าในที่นี้เนี่ยอนิจจสัญญาเนี่ยว่า ม, มีความสำคัญมากหรืออย่างไรทั้งในอนุปัสนาจ็ก็เริ่มด้วยอนิจจัง ก็อนิจจสัญญาณนั่นแหละอนิจจานุปัสสนาก็อันเดียวกันนั่นแหละอันนี้นนจะสัญญาการ น, นิจจานุปัสสนาเหมือนกันเพราะว่าปัญญานี่บางแห่งใช้คําว่าสัญญาแทนคือคือบางคนเนี่ยนะเขาจะเข้าใจมากถ้าใช้คําว่าสัญญาบางคนจะเข้าใจมากถ้าใช้คําว่าปัญญา ถ้ใช้คำว่าสัญญาขอสรุปว่าขอให้มาคิดเรื่องอ น, นิจจังเถอะคุณจะใช้ศัพท์ไหนก็ใช้ได้อ่ะขอให้จิตมันเป็นไปกับการใคร่ควรวญว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกรูปเป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะไอ้การใส่ใจแบบนี้จะใช้ศัพท์ไหนก็ตามแต่จริงๆแล้วก็คืออนุปัสนานั่นเองนะฝันอนิจจะสัญญาก็คืออะไรก็คือกายานุปัสนาเป็นต้นนั่นเองถ้าถ้ใสา่ใจตามนี้ได้จกทําที่สุดแห่งทุกได้ก็ ถ, ถือว่าเป็นการใส่ใจโดยคุกตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะ ยังไงก็ต้องละความสำคัญว่าเป็นของเที่ยงได้ถ้าตามเห็นด้วยความเป็นทุกข์ล่ะก็ละสำคัญว่าเป็นสุขได้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงๆเพราะว่าอนิจจานุปษษัสสนาหรืออนิจจสัญญาเนี่ยเป็นเื้องต้นแห่งอนุปัสสนาทั้งปวงไงถ้านับหนึ่งได้ ถ้านับหนึ่งเป็นถ้าเริ่มหนึ่งได้2องสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ไม่น่ามีปัญหาแต่สําคัญก็คือขอให้นับหนึ่งมันพงจึงสรรเสริญในเรื่องการนับหนึ่งธรรมะเนี่ยอย่างเช่นถ้ามรรคแปดนะองสรรเสริญข้อที่หนึ่งก่อนขอให้คุณมีข้อหนึ่งก่อนไอข้ออื่นเดี๋ยวตามมาอานิจจาอนุปัสนาเจ็ดก็เหมือนกันถ้ามีข้อหนึ่งคืออานิจจาสัญญาหรืออานิจจานุปัสนาถ้าได้ข้อหนึ่งละข้ออื่นไม่ใช่ะยากอะไรขอให้มันได้สักอย่างหนึ่งก่อน ท่านจึงพองจึงสรรเสริญในการคำว่าริเริ่มใช่ไหมอรัฐธรรมนนิกรม ร, กรมธรรมตรกรรมธาตมสรรเสริมมากเรื่องการยึดริเริ่มเรื่องการก้าวหน้าเรื่องความบากบัน่นท่านให้เริ่มต้นท่านพองแสดงธรรมเหล่านี้เพื่อให้รู้จักเริ่มต้นนั่นเองแม้ประมาณเท่านี้เลยที่เป็นของเที่ยงของยั่งยืนสืบต่อกันไปไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจัดํารงคงที่อยู่อย่างนั้นเองเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ดูก่อนพิสูุทั้งหลายถ้าว่าสังขารหรือจะได้มีอัตภาพที่ได้มีประมาณเท่าก้อนขี้โค่นี้ที่เป็นของเที่ยงยั่งยืนติดต่อกันไปไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วไซการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการทําสิ้นไปแห่งทุก์โดยชอบก็จะไม่ปรากฏดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็เพราะที่เหตุที่ขันห้า หรืออัตภาพที่ได้มาแล้วประมาณเท่านี้ที่จะเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนติดต่อกันไปมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาก็เนื่องจากไม่เที่ยงอย่างนี้แหละฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการทําที่สุดแห่งทุกทั้งหลายจึงปรากฏโดยชอบทันเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่แหละอริยมรรคจึงต้องมีในโลกเพราะอาริยมรรคทั้งหลายเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทําให้ดับสังขารที่ไม่เที่ยงทั้งมวล ดูการพิสูุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเราตถาคตได้เป็นขัตติยราชได้รับมูรถาพิเศษแล้วคือพระองค์ได้เป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะดูก่านพิสษุเราตถาคตเป็นขัตติยราชผู้ได้รับมูรถาพิเศษแล้วได้มีพระนคร 84,000 นพันนครมีกุสาวดีราธชธ า, านีเป็นนครเอกมีปราสาทแป0 0 0พันหลังมีธรรมปราสาทเป็นปราสาทเอก มีตำหนัก 84% ดหมพันหลังมีพระตำหนักมหาพยุหะเป็นพระตำหนักเอกมีพระราชบลังแปด 4%, มื่พันบาลังทําด้วยงาสลับด้วยเก่นจันแดงประดับด้วยทองและเงินลาดด้วยผ้าโกเชามีขนยาวเกินสี่องค์คุลีลาดด้วยผ้ากําพลขาวทําด้วยขนแกะมีขนทั้งสองด้านลาดด้วยเครื่องลาดทําด้วยขนแกะมีดอกทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมด มีเพดานสีแดงมีหมอนสีแดงทั้งสองด้านมีช้างต้นแปดหมื่นสี่พันเชือกมีขชาพรทําด้วยทองมีทงทองคลุมศีรษะด้วยขายทองมีพญาช้างอุโบสถเป็นช้างทรงมีม้าแปดตนมีม้าต้นแปดหมืสี่พันตัวมีเครื่องประดับทําด้วยทองคลุมหลังด้วยขายทองมีวลาหกอศวราชเป็นม้าทรงมีราชรถแปดหมืี่พันคันเครื่องประดับทําด้วยทอง มีธงทำด้วยทองปกปิดด้วยขายทองมีเวชยันต์รถเป็นรถทรงมีรัตนะ8 4ด0 0ี่พันดวงมีแก้วมณีเป็นดวงเอกมีสนมนารีแปด0มืนี่พันนางมีพระนางพัฒาเทวีเป็นสนมเอกมีกษัตริย์8ปด0 0ืสี่พันองค์ตามเสด็จมีปรินายกแก้วเป็นประมุกมีแม่โคนม8 4ด0มืสี่พันตัวมีผ้าทุกูลพัดเป็นผ้าคลุมหลังมีภาชนะสำริดทำด้วยเงินสำหรับรีดนม มีผ้าแปดหมื่นสี่พันโกรดเป็นผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียดเป็นผ้าไหมเนื้อละเอียดเป็นผ้ากำพลเนื้อละเอียดเป็นผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดมีสุพรรณพาชนะพาชนะทองคำแปดหมื่นสี่พันที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องเครื่องนําเข้าไปเทียบเช้าเย็นดูก่อนพี่สุทั้งหลายก็บรรดาแปดหมื่นสี่พันนครเหล่านั้น นครที่เราครองก็มีนครเดียวเท่านั้นคือกุสาวดีราชธานีบรรดาปราศ า, ศาสต์แปดหพหลังเหล่านั้นปราสาส ท, ที่เราครอบครองในสมัยนั้นก็มีหลังเดียวเท่านั้นคือธรร ม, มะปราศาสต์บรรดาตำหนัก 84%,00 มื่ตำหนักเหล่านั้นและตำหนักที่เราครอบครองในสมัยนั้นก็มีหลังเดียวเท่านั้นคือตำหนักมหาพยุหะ บรรดาราชบลัง8ปด0 0 0ับลังเหล่านั้นบาลังที่เรานั่งสมัยนั้นก็คือบลังงาหรือบาลังไม้เก่นจันหรือบลังทองหรือบาลังเงินบรรดาช้างต้น8 4ด0 0พันเชือกเหล่านั้นช้างที่เราทรงในสมัยนั้นก็เชือกเดียวคือพระขชาทานชื่ออุโบสถบรรดาม้าต้น8 4ด0 0พันตัวเหล่านั้นแลม้าที่เราทรงสมัยนั้นก็มีตัวเดียวเท่านั้นคือวลาหกอศวราช บรรดาราชรถแปดหมื่นสี่พันคันเหล่านั้นแลรถที่เราทรงสมัยนั้นมีคันเดียวเท่านั้นคือเวชยันตรรถบรรดาสนมนารีแปดหมื่นสี่พันนางเหล่านั้นแลสนมนารีที่เรายกย่องสมัยนั้นมีคนเดียวคือนางกษัตริหรือหญิงที่กาเนิดจากกษัตริและพราหมบรรดาพระปูษาร์แปดห0ื่นสี่พันโกดคู่เหล่านั้น คู่พระภูษาที่เราใช้สมัยนั้นก็คู่เดียวเท่านั้นคือภาพเปลือกไม้เนื้อละเอียดหรือผ้าไหมเนื้อละเอียดหรือผ้าพกำพลเนื้อละเอียดหรือภูษาฝ้ายเนื้อละเอียดบรรดาโภชนะ8ปดหมสี่พันสำรับนั้นพบาชนะสำรับเดียวเท่านั้นที่เราเสวยจุข้าวสุกทนานหนึ่งเป็นอย่างมากและกับแกงพอเหมาะแก่ข้าวสุกนั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสังขารทั้งปวงเหล่านั้น ที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วด้วยประการดังนี้แลสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งปวงไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งปวงไม่เชื่อฟังอย่างนี้ผลสังขารทั้งมวลคือคิดว่าเราเริ่มเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเร็วๆนี้ไม่นานเนะท่าไหร่ การที่จะเปลี่ยนผู้ปลี่ยนชาติใน้อ ง, งท่านที่วมาในท่ามกลางสิ่งที่อันตรายแบบนี้รู้สึกว่าเออเราดีใจนะว่าเราเรามีเกาะมีที่พึ่งนะฮะที่จะป้องกันเราไปเนี่ยเรามีที่พึ่งเมี่ยมีความมั่นใจอย่างนี้นะฮะคือแทนที่จะเกิดสลดใจนะก็เออเกิดปิติได้นะว่าเฮ้อไม่ต่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะฮะเออทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ใช่เฉพาะหมู่มัน เท่นั้นนะฮะทรงยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแม้แต่ในเทวดาทั้งในพุทธโลกทั้งหลายเนี่ยคงไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะครับนะพระองค์ยิ่งใหญ่มากนะพระองค์ยังต้องนะฮะต้เสดงดับคันธัปปริิญพาไปอย่างเนี้ยอย่างเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะเหมือนกับว่าเป็นเศษรษฐีอย่างหนึ่งที่จะต้องปลิวหายไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมมาวันนี้นก็รู้สึกว่าออมีมีกำลังใจขึ้นและมั่นใจว่าการเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาตนี้ไม่นมัน่ามน่าจะต้องลิตกอะไรมากนะครับ ค, คับก็ผมก็มีความรู้สึกอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะให้พระคุณเจ้าช่วยอธิบายสั้นๆเรื่ปัจฉิมโอวาทเนี่ยเพราะว่าถ้าอ่านโบราณดูก็ไม่ค่อยลึกซึ้งเหมือนพระคุณเจ้าอธิบายเรื่องความลึกซึ้งนะว่ามีอยู่ 3, สามสี่บรรดนี้นะฮะถ้าหากว่าจะพระคุณเจ้าช่วยอธิบายอสักนิดกว้างขวางหน่อยได้ไหมครับก่อนที่จะอธิบายปัจฉิมโอวาทเนี่ยนะปัจฉิมปัจฉิมนี่แปลว่าสุดท้ายนะปัจฉิมสุดท้ายโอวาสุดท้าย อนุสาสนีครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะกล่าวข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์เนี่ยนะที่เราจะได้รู้พุทธกิจของพระองค์โดยย่อข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์วงของพระสมณโคโดงพุทธเจ้าที่25คือพระทีปังกรนี้นะับเป็นองค์ที่หนึ่งเนี่ยนะพระองค์ของเราเนะี่เธอองค์ที่25ว่าบัดนี้เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะเจริญวัยในยาศากยะสกุล ตั้งความเพียรแล้วบรรลุพระโพธิญาณอันอุดมได้บรรลุถึงโพธิญาณที่สูงสุดด้วยความเพียรอันท้ามหาพรหมราธนาแล้วประกาศ ธ, ธรรมจักกับประวัตนาสูตรณอภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแกสัตว์สิปโกดปต่สรุรรมเมื่อแสดงธรรมต่อจากนั้นในสมาคมแห่งเทวดาและมนุษย์อภิสมัยครั้งที่สองก็กล่าวไม่ได้ถึงจานวนผู้บรรลุ คือกล่าวอภิสมัยที่ไหนที่เมืองก บ, บิลภพัฒน์เนี่ยนะที่สงเคราะห์ในมหาสมัยสูตรเนี่ยการตรัสรู้เนี่ยนับปริมาณไม่ได้นับจำนวนไม่ท้วนแบบนี้ในที่นี้แลเราสั่งสอนพระราหุลโอรสของเราอภิสมัยครั้งที่สามก็กล่าวไม่ได้ถึงจานวนผู้บรรลุเพราะอันต ร, สรัสดเดงธรรมที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะที่ป่าอันธวันเนี่ยนะ ให้ทะลาหุนฟังพร้อมทั้งเทวดามนุษย์เป็นต้นเนี่ยบรรลุหาประมาณนี้ได้สันมิบาตการประชุมสาวกผู้สแสวงหาคุณใหญ่ของเราเป็นการประชุมภิกูุน2หนึ่งห้ามีครั้งเดียวก็คือที่เวลุวันกลันทกะนิวาตาสถานที่เราผ่านมาเรานิรัยมนทินร่วงเรืองอยู่ท่ามกลางสง ก็ให้ทุกอย่างที่สาวกปรารถนาะเหมือนแก้วจินดามณีให้ทุกอย่างที่ต้องการพระองค์นี้เป็นดุจแก้วมณีที่ใครมาขอพอรเช่นใดก็สมความปรารถนาหมดอันผู้ที่ขอราชาตินี้ขอถึงสารณคมเขาก็ได้สารณคมไปผู้ที่ตั้งความปรารถนามักผลนิพพานปรัสรทธ ค, คุณธรรมชั้นสูงบุคคลเหล่านั้นก็ได้ประสรทธ ค, คุณธรรมชั้นสูงเพราะพระองค์ในดุจแก้วจินดาแมณีเหมือนกับว่าขอสิ่งใดก็สมความปรารถนาะจินดาแมณีนี่หมา ถึงขอแก้วขอสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการพระองค์นี้เป็นเช่นนั้นโมูสาวกทั้งหลายขอเช่นใดพระองค์ก็สามารถประทานให้ได้เช่นนั้นอันความกรุณาสัตว์ทั้งหลายนะเพราะความกรุณาของสัตว์เนี่ยเราประกาศสัตว์จะ แก่ผู้จำนงหวังมรดผลผู้ประสงค์ความละความพอใจในภพนั้นถ้าหากว่าผู้ใดปรารถนาที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภันยในภพปรารถนาที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์พระองค์ก็จะประกาศอริยศัสต ร, ร์ให้เขาเหล่านั้นได้ฟังธรรมมาที่สมัย ได้มีเกษัตว์หนึ่งหมืนสองหมืนอาภิสมัยของสัตว์ไม่นับจํานวนด้วยหนึ่งคนหรือสองคนสมัยพุทธกาลเนี่ยน้อยนักนะที่บรลุหนึ่งบรรลุสองแบบเรี้ยวลายกระปรายเนี่ยไม่มีถ้าฝนตกก็ไม่มีอะตกแบบกระปรอยไม่มีมีแต่ตกหายใหญ่น้ําท่วมเลยแหละเป็นลักษณะนั้นพื่อที่ะจะรู้ธรรมก็มากมายกว้างขวางฉันนั้นนะไม่ได้มีคนสองคนเลย ศาสนาของเราผู้ศักยะมุนีในโลกนี้บริสุทธิ์ดีแล้วแผ่กว่าแผ่ไปกว้างขวางคนเป็นอันมากรู้กันมั่นคงเจริญดอกออกบานแล้วเนี่ยคือเจริญออกดอกบานแล้วเนี่ยนะก็คือเหมือนกับดอกไม้ที่บานเป็มที่แล้วตอนนี้บานแล้วแล้วก็เริ่มเฉาไปเยอะแล้วเดี๋ยวดอกบัว ก, ก็ร่วงโรยพระศาสนาก็ไม่เหลือแล้วภิกษุทั้งหลายเลย ผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นแวดล้อมเราทุกเมื่อสมัยพุทธกาลพระองค์จาริกไปที่ใดก็มีพระิสุแวดล้อมมูใหญ่ใช่ไหมรู้โดยมากเู้วอนแต่พระาหารหันบัตรนนี้เดี๋ยวนี้ภิกสุเหล่าใดละพบมนุษย์พิกสุเหล่านั้นเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุพระรหัตวินยูชนก็ติเตียนสมัยพุทธกาลเป็นพระเสวนาบัน เส้นชีวิตเนี่ยเขาตําหนิกกันนะเป็นภาสากะทาคามีเป็นบ้านาคามีเนี่ยท่านตําหนิกกันนยท่านตําหนิว่าทําไมฮะคุณเรื่องสูงที่ตั้งทำอีกก็ยังไม่ทําให้เสร็จแล้วก็รีบไปเนี่ยนะเหมือนก็ว่าทํางานไม่เสร็จแล้วก็ถึงงานค้างคาไว้ไม่เสร็จแล้วก็ไปเขาก็ตําหนิกันของเรานี่กําลังเริ่มทํางานอยู่นะแต่ว่าดวงอาทิตย์มันจะค่าแล้วมันกาลังจับงานนี่ยุ่งมากอะไรเงี้ยนะบัณฑิตเขาไม่ตําหนิกหรอกอย่างงี้ยนะของเราเนี่ยบันดิตเขาไม่ตําหนิกทาไมรู้ไหมเขาการุณา ้ <c oughs> ็ไม่รู้จะทำยังไงก็นม่จักสงสารน่ยนะนรชนผู้ท่องเที่ยวไปในสสงสารวัตผู้ยินดีในธรรมทุกเมื่อเมื่อชมเชยอารยมรรุ่งเรืองอยู่ก็จักปรัสรู้อ่าตรงนี้ฟ อ, องชี้ชัดอยู่คำหนึ่งนะถ้าชมเชยอารยมรรรุ่งเรืองอารยมรประกอบด้วยองค์แปดเข้าจากบรรลุเพราะอะไรถ้าเขาชมมารยมรเขาก็ต้องปฏิบัติตามอารยมรถ้าปฏิบัติตามอารยมรเขาต้องตรัสรู้เป็นแน่ เรามีนครชื่อว่ากบิลพัทเนีซึ่งวันนี้เราจะไปนะี่ยะพระชนกธนามว่าพระเจ้าสุโธธนะพระชนนีพระนามว่าพระนาง ม, มหามายาเทวีเราครองคารว่าวิสัยอยู่สิบยี29ปีมีปราสาทเยี่ยมสามหลังชื่อว่าสุจันทะโกกนุทะและโกนจะมีสนมกำนันที่แต่งกายงามสี่หมื่นางอัครมเหสีพระนามว่ายโสธราพระโอรสพระนามวาทราหุน เราเห็นนิมิสีคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักเดือดออกพเนศกรมด้วยยานคือมาทำความเพียรประพุทธสิ่งที่ทำได้ยากเรียกว่าทุกขะกิริยาอยู่หกปีเราชนะโคตมาสัมพุทธเจ้าประกาศธรรมจักณนตะาอิสิปตนะมรุกขายวันนะโกลงพารณาณสีเป็นสารณะของสัตว์ทั้งปวงเรามีพิสุคู่อัคาราสาวกชื่วโกลิตะคือพระ มคลานะและอุปติสสะคือสาริบุตรมีอุปถากประจำในสำนักชื่อว่าพระอนุนเรามีภิกษุณีอัครส า, าวิกาชื่อว่าเขมาและอุดรวนาพระนางเขมาก็อดีตพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีอัครอุปถากที่เป็นคารวาชื่อว่าจิตตะและหัตตะอาะวะกะ มีอัครอุปถายุกาชื่อนันทมาตาและอุตตราเราบรรลุสัมโพธิยานอันอุดมสูงสุดนครโพล้พฤกต้นชื่ออสถตต้นโพที่ตรัสรู้เนี่ยนะจิเดินทีเขาเรีว่าต้นอสัตพฤกพ ร, กรองกระทับนั่งณที่นั้นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าต้นโพเนี่ยนะเรามีรัศมีหนึ่งวาสูง16ศอกเราอายุบัดนี้น้อย นะเกิดในสมัยที่มนุษย์อายุน้อยร้อยปีเราดำร ง, งยุนชนอยู่เพียงนั้นก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอกคเราตั้งคบเพลิงคือธรรมะปลุกชนที่เกิดมาในภายหลังให้ตื่นไม่นานนักแม้เราพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกก็จับปริญนิพนธ์ในที่นี้นี่แลเพราะสิ้นอาหารนะนะอาหารของวัตตาอาหารของรูปขัน์คือกะพลิงกะหาหันอาหารของเวทนาสัญญาสังขารคือ ภาษาหารอาหารของวิญญาณคือนามรูปอาหารของวัตตะคืออวิชชาตันหาและกรรมแบบนี้พระองค์เนี่ยสิ้นอาหารเหล่านั้นหมดแล้วสิ้นอาหารคืออวิชชาสิ้นอาหารคือตันหาสิ้นอาหารคืออุ ป, ปาทานสิ้นอาหารคือภพชาติทั้งพระองค์ก็เลยสิ้นวัตทุเหมือนดวงไฟดับเพราะสิ้นเชื้อฉะนั้น ก็เหมือนกับเอาฟืนกองโตมาสุมสุมสุมกันเข้าในที่สุดเมื่อหมดฟืนก็ถือว่าเป็นอันหมดอะไรหมดไฟหมดฟืนก็หมดไฟสหมดเชื้ อ, อยังไงเพราะฟืนมันเป็นเชื้อ <c oughs> เดช ท, ที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เหล่านั้นเดชและฟองนี่มีเดชเติมเตี่ยมบริบูรณ์หมดเลยทั้งยศพละและฤทธิเหล่านี้เราผู้มีเรือนกายอันทรงคุณ วิจิตด้วยมหาปริศลลักษณะสามสิบสองประการ น, น, นะร่างกายของพราวนิสงค์ุณอะไรบ้างคนที่อยู่ในจิตของพระองค์ น, นะก็สัพพัญญุตยานานาวรนญาณมหากรุณาสมาบัติยานยมกปตติหารยิายาน อาสยานุสยายานอินรเรียตรโปริยติยานเวสาลชยานตถาคตพลายานเป็นต้นส่งคุณอันพิเศษที่เรียกว่าชื่นชนมันอยู่สามปีก็ไม่จบไม่สิน้นร่างกายของพระ อ, อ, องค์ไนี่ยสงคุณร่างกายก็ยังวิจิตรประดับไปด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการมีฉัตรพนรังสีสองแสงสว่างทั้งสิทิศเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยสองแสงสว่าง อ, างอ น, นะแต่ว่าดวงอาทิตย์ไม่มีรัศมีดุจพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ไม่มี ถ้า พ, พุทธรัสมีรังสีนี้ออกมาพระองค์นั้นมีรัศมีดังดวงอาทิตย์พระองค์นั้นก็จักอันตรทานไปเนี่ยนะตอนนั้นพระองค์ตรัสใช่ั้ยจักอันตรทานไปคาเหล่านั้นจริงไหมจริงมาตอนนี้ก็อันตรทานแล้วเนี่ยนะสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแน่แท้สังขารทั้งหลายก็คืออะไรขันห้ารูปนามทั้งหลาย ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายชื่อว่าสังขารสังขารทั้งหลายเหล่านี้ว่างเปล่าแท้ว่างเปล่าก็คือมาจากคำว่าศูนย์ศูนย์แทศูนย์อะไรศูนย์จากความเที่ยงศูนย์จากความ้ความสุขศูนย์จากความยั่งยืนเนี่ยะหาความเที่ยงจากสังขารแต่ที่ไหนหาความสุขที่แท้จริงจากสังขารที่ไหนหาอัตตาสาระ คือความเที <palm. S 2> ่ยงเป็นต้นจากสังขารแต่ที่ไหนสังขารทั้งหลายว่างเปล่าเช่นนี้แม่เราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่ที่นี้เดี๋ยวสังขารทั้งหลายก็จะหายตายเองเหมือนกันเนี่ยนะอันประธานจากที่ตรงนี้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็อันปรธานจากที่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวก็ไปพบไปพบหม่ชาติใหม่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะไปสร้างพบสร้างชาติต่อไปเพื่อไม่มีพบไม่มีชาติไม่พูดยังไงนะไปสร้างพบสร้างชาติเพื่อไม่มีพบมีชาติเอาก็อาศัยพบละพบกันนะ ก็คืออาศัยอุปปัตติภพคือร่างกายและขันห้าเหล่านี้แหละเป็นเอาไวเจริญอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปเพื่อจะได้สิ้นพศสิ้นชาติสักทีหนึ่งเพราะว่าผู้ที่บริหารขันเนี่ยเป็นเป็นภาระมันเป็นของหนัก <c oughs> ก็คิดดูนะขันห้าทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลธรรมที่ตรงไหนที่สัตว์ไม่ทําบาปไม่มีหรอก <c oughs> อย่างสถานที่ที่ตรงนี้เนี่ยนะคนนักสแสวงบุญก็สแสวงบุญตาก็มีนักขุดรื้อผู้สแสวงบุญอีกต่างหากเนี่ยนะคำถามว่าเขาเหล่านี้มาเป็นเหยียบดุล ยุงไรเป็นตัวอะไรที่คอยเกาะกินเข้าทั้งหลายเหล่านี้เขาจะไปไหนหนอ เขานี่น่าสงสารเนอะระหว่างเขากับเราเราก็น่าสงสารว่าเราทําเหตุมาไม่ค่อยดีเขาก็น่าสงสารว่าเขาทําเหตุใหม่ที่ไม่ค่อยดีต่อไปแต่ก็ช่างเถอะประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งเราก็ไม่ไปเปืเป้อยกับเขาอันนะัเขาก็บาปเฉพาะตัวเข้าไปนี่แหละเพราเหตุแห่งปากท้องจริงๆนะที่เขาทำํำนี่เขาสแสวงหาอาหารเป็นการหาอาหารอีกวิธีหนึ่งใน่บันดา วิธีสแสวงหาอาหารทั้งหลายถ้าเขาไม่เลี้ยมรูปตะขันนะเขาไม่ต้องเดือดร้อนอย่างนี้หรอกเขาไม่ต้องทําบาป ท, ทำอากรุณหรอกให้เราทั้งหลายตั้งจิตกรุณาตนกับเขาเสมอกันเราทั้งหลายถ้าเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่บรรลุตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหม เราพ้นจากสภาพแบบนี้แล้วหรือเพราะว่าฉันทราคาในมหาพูทนี่แรงยิ่งนักเนี่ยนะความน่าเพลเพลในมหาพูทมันเมื่อเพลเพลในสิ่งเหล่านี้ที่จะไม่ทําบาปทำมากุศลไม่มีหรอกพันไรทั้งหลายก็ตั้งจิตสมาทานว่ามหาพูทคืออาระพุทธเนี่ยนะก็ตั้งสมาทานให้เป็นประตามที่พระ อ, องค์แนะนํำไว้เสมอส่วนที่คําผู้การกล่าวว่า ปชิมะพุทธโอวาสเนี่ยนะโอวาสครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหันท่านี้พุขเวอามัญทะมิโวคำนี้ก็คือบอกว่าหมายว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นโอวาสครั้งสุดท้ายแล้วนะเขอคือแจะเป็นาทายาทบอกขอบอกขอเตือนเนี่ยนะขอกล่าวคือเป็นคําสั่งเสียว่างั้นเถอะขอบอกขอกล่าวขอเตือนขอชี้ขอนําในคําสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นใจอย่างั้นก่อนที่จะสิ้นชีวิตถินทรีย์ เดีกวกับผู้สูงทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายเนี่ยนะเสื่อมทำลายอดีตสังขารทั้งหลายก็สื่อมไปอนาคตทั้งหลายก็จกเสื่อมไปปัจจุบันนี้สังขารทั้งหลายก็กําลังสื่อมไปนี่คือธรรมดาของสังขารวายะธรรมมาสังขาราเสื่อมแน่แตกทําลายแน่เป็นความจริงแท้ของสังขารอีก5ปีนะ อีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้ารูปภาพที่เราถ่ายให้ลูกหลานมาดูสั้งสองจะแปลกใจมากเลยนะเออตอนนั้นเนี่ยหนุ่มกว่าตอนนี้เยอะเลยอย่างนะก็เขาก็จะแปลกใจมากเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะถ้าอีกสิปีเขาดูรูปภาพเหล่านี้นะทัห้หลาก็จะขำกันมากเลยนะเพราอีกสาสิปีเข้ามาดูใหม่ทั้งหลาขำ ม, มากเลยแหละเพราะสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังกิตให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ตรมารถเถิด กิจในการทําปริญญาก็จงทําด้วยความไม่ประมาทนะกิจในการละบาปอกุศลทั้งหลายก็ควรทําด้วยความไม่ประมาทการปฏิบัติทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเป็นต้นก็ควรที่ทําด้วยความไม่ประมาทการอบรมอริมารคอันประกอบด้วยองค์แปก็ควรทําด้วยความไม่ประมาทการเจริญสติปัญฐานก็ควรทําด้วยความไม่ประมาทกิจในการเจริญสัมมาปัญญาก็ควรทําด้วยความไม่ประมาทคือไม่ประมาทเหมือนคนขับรถนะนี เหมือนคําคนขับรถที่ไม่ประมาทเขาทนเช่นใดเราทั้งหลายก็ม่วมบริหารกุศลธรรมบริหารอริยทรัพย์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ให้เราทั้งหลายคือสติปัฏฐานเป็ตนต้นคือสิ่งที่พระองค์ฝากให้เราทั้งหลายเป็นอริยทรัพย์เป็นมรดกที่พระองค์ตกทอดมาจนถึง เราทั้งหลายเพรานเราทั้งหลายก็บำเพ็ญกิจปฏิบัติตามพระพุทธโอวาท ด, ด้วยความไม่ประบาท ด, ด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงด้วยความสังวรสำรวมระมัดระวังนี้เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของพระตถาคตอนะ วาจาสุดท้ายหลังจากนั้นเนี่ยว่าจีวิญญัตไม่เกิดอีกเลยเนะมโนกรรมก็เป็นตายในที่สุดก็ดับขันปรินิพานสังขารทั้งหลายมีความสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ประากาศทุกขสัตว่าสังขารทั้งมวลเป็นอย่างนี้แลเธอทั้งหลายจมยังกิดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นมรรคสัตว์ท่านกล่าวสัจจะสองแต่ก็รวบรวมความถึงสัจจะสี่เพราะอัตมาโท อ, อ, อัตมาโท อามาตังตะทงังน่ยนะความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายไอ้ไม่ตายตัวหลังนี้เป็นชื่อของพระนิพพานพระหมายถึงว่าผู้พี่ไม่ประมาทโครจรไปในโพธิ์ที่ตรักริยธรรมมีสติประญาต้ น, น, นจนสามารถตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเราทั้งหลายก็ได้มาโหวนมาลํำลึกน้อมนึกถึงพระพุทธองค์ที่ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ดับขันปณิพานไปแล้วตอนนี้เราทั้งหลายก็รู้แต่คำว่าเอวเมสตังเอวมเมสตังะนะข้าธาจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ะนะ ก็จะเหลือแต่คันนี้เป็นคำที่คาสุดท้ายที่เราทั้งหลายจะได้ยินว่าสมัยนั้นสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งมันก็เป็นสังมหาสังเวชวัตถุว่าผู้ที่ทรงถึงยศดอย่างอุดมยอดเยี่ยมผู้ที่ทรงคุณหาประมาณไม่ได้ก็ยังเหลือแต่ คำกล่าวว่าสมัยหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วธรนมดาวทั้งหลายก็ไม่ควรประมาทในพุทธโอวาที่พระองค์ผ่าเพียรพยายามพระองค์นี้ใช้เวลาสั่งสมอริยสัพย์มาตลาดสีสส่อสงไขยเศษอีกแสนกับเพื่อจะมาตรัสโพธิปัิยธรรมสาเจประการให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้เราทั้งหลายได้เจริญกุศลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะขอรับเอามรดกเหล่านี้ตามสมควรแก่ ภาชนะที่เอามาใครเอาถังมาก็ใส่ถังไปใครเอารถบรรทุกมาก็ใส่รถบรรทุกไปแต่ก็ยังไงยังไงก็อย่าใส่แค่กระเป๋าสตางค์เล็กๆมานะเพราะเดี๋ยวบอกไม่พอใช้เลยในวัฏฏะอันยาวไกลเพราะฉะนั้นก็พยายามโพกพาให้ไปเยอะๆเนๆี่ยนะ ก็ขออนุมโมทนากับยอดชวนทั้งหลายในมหากุศลครั้งนี้กุศลธรรมครั้งนี้เราเชื่อมั่นเลยว่าพระ อ, องค์ตรัสรู้รำใดเป็นที่พ้นทุกเราก็จักตรัสรู้ตามพระ อ, องค์คําสอนเหล่าใดที่พระ อ, องค์อนญาตสั่งสอนอนุสาสนีประกาศให้พุทธบริษัททั้งหลายตรัสรู้รำเป็นที่พ้นทุกเราทั้งหลายก็จักตรัสรู้โลกุตระธรรมเหล่านั้นมือผ้าเรือสองทั้งหลายคือคู่แห่งบุรุษสื้อคู่นเพียงบุคคล8เราทั้งหลายก็มาประพฤต ปฏิบัติเพื่อทำเสด็จดาปฏิผลให้เจ้งก็ขออนุโมนาอีกครั้งหนงว่ากุศลธรรมที่เราได้ทำไม่ดีแล้วนี้จกเป็นอุปนิสัยเพื่อความพ้นทุกเพ น, นั้นคงจะ สามโอวาทสุดท้ายที่ที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ให้เราทั้งหลายคือจงยังกิตให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทกิจในที่นี้หมายถึงกิตในอริยสัจสีประการมีการกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งอบรมอริยมรรคการประกอบไปด้วยองค์แต่ก็ลาลานหะลาแต่ว่าไม่ใช่ลาเทาวนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่พบกันใหม่เมื่อไรก็อีกเมื่อนั้นแหละเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละ